ถ้าเกิดอันนั้นหลายตอนนี้ไปทั้งหมดตอนนี้ <อะไร? S 2> ปริสถานรูปพระ 2532 เวลาตอนประมาณสัก 4:00 ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ได้ตายจะเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่เวลานี้เราก็เพลียเต็มทีเรื่องพระท่านมาเยี่ยมก็ขอ <c oughs> มองดูในกายเวลาประมาณ 02:00 เห็นท่าน ที่มาอย่างนี้ต้องการให้ปั้นรูปเหมือนอย่าง เป็นเวลาที่ตื่นจากที่นอนไม่ใช่ เกณฑ์ได้ให้ประเสริฐปั้นๆมาเห็นได้ ตั้งใจจะปฏิสถานรูปของ 2534 แต่ 2533 ความจริง ก็พอดีเจจันทนามรณภาพท่านแก่สุวรรณลูกสาว 2 คน 2 หรือ 3 ลูกสาว 3 คนลูกเคยลูกสาวด้วยแต่คราวทุกคนธรรมะจะเป็นที่ 2 คือวันเสาร์ ก็ต่างคนต่างมา ที่ว่าที่ใดที่หนึ่งก็ได้ที่อนุสมคคน <c oughs> ไอ้ค่ากระจกจะปิดจะถามว่าราคาเท่าไหร่อาตมาก็ตอบไม่ได้ นี่ท่านเหล่าแก่สุวรรณผู้พูดอย่างนั้น โดยเฉพาะๆร่วมแล้วประมาณ 10 สำหรับท่านที่บำเพ็ญกุศลสร้างมณฑปโดยคณะท่านดาแก่สุวรรณส่วนวีระพลพี่ท่านดาแก่สุวรรณวีระพลคนหน้าถวายมา 1 ล้านบาทคุณวิวัฒน์บุตรเขยกับคุณจินตนาบุตรสาวเจริญญาติและบุธิดาถวายมา 2 000, 000 ได้รับจากครอบครัวถวายมา 100,000 บาทคุณดงรักและบุตรีดงรักนี่เป็นน้องสาวเตชจันทนาถวายมา 30,000 บาทท่านพลตรีพันลบและคุณมารินีท่านพลตรีพัน คุณสมิทธิ์วนิดาสุพมาศและเอ่อพรพินทิพาชัยเกษมวัฒนาศิริพงษ์ทําบุญมา 10,000 บาทคุณ รวม 1,369,000 บาทแล้วต่อมาโดยคุณ 50,000 บาทรวม 2 หลังทั้งบาท แต่นี้สําหรับมณฑบบรรดาทาง โครงการเจตนามีท่าน 16 ธันวาคม 2503 32 แล้วก็จะนําสิ่ง ก็ใกล้จะถึงวัดก็เต้นมาประมาณ แต่ที่เวลาที่อาตมาจะพูดเองมันก็เหนื่อยเหลือเกินก็ขอหยุดพูดแต่เพียงเท่านี้ปล่อยให้มรรดาป้ากับหลานเค้าคุย ทั้ง 2 คนป้าหลานแต่ก็พอดีจุลัยหันก็ไปเห็นที่นอนเตียงนอนเข้าจึงถามป้าน้อยว่าคุณป้านี่เตียงของใครคุณป้าน้อยก็ตอบว่าเป็นเตียงของหลวงพ่อหลวงพ่อท่าน อ่าเรียกหลวงพ่อเพราะต่อไปนี้ไปบ้านก็ขอใช้ศัพท์หลวงปู่ตามหนู นั่นหมายความว่าความตายจะเข้ามาถึงถ้าบังเอิญท่านรู้ตัว ก็เป็นการเจริญมรณานุสติจะเป็นการ นั่นก็หมายความว่าไม่สร้างอะไรผู้ความให้เร็วเกินไปไม่ต้องการให้หนี้ขังค้างถ้าหนี้จะมีก็เป็นแค่ เป็นนวะหนี้เดิน ทั้งๆที่ท่านบอกว่าการก่อสร้างคนชาลงลอยลงแต่ว่าค่า ก็ถามว่าคุณป้ามณฑบตรง 2 นี้หลวง อาจารย์ก็บอกว่าเป็นที่ประดิษฐสถานรูป ยามรับแขกตั้งเคยบอกว่านั่งบางทีก็นั่งงงมองหน้าคนที่มาดำ การเดินทาง ทำบุญหรือไม่ทำบุญถ้าบอกว่าไม่ได้ จุไล่มงแล้วก็ความว่าเธอไม่เข้าใจคําว่าพระๆคนที่เคยมา แล้วพระประเจพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นสมัยไหนมีกี่องค์ถ้าคงคิดว่าพระ ระหว่างนั้นเป็นช่วงระหว่างพุทธันดรคือช่วงระยะหนึ่งในช่วงนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตรัสตรัสเท่าเดียวไม่ใช่องค์เดียวในระยะนั้นจะหรือเป็นแสนองค์นี่มากแต่ละองค์ก็บรรลุ เฉพาะท่านท่านไม่ตามแต่ว่าใครต้องการฟังจากท่านท่านจากท่านท่านก็เทศน์สอนแล้วทําให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเข้าใจแต่ว่า คาถาบทนี้ช่วยคนให้มีความสุขทะเยอะคือคนที่ตั้งใจทําจริงมีความเคารพจริงและ ท่านบอกว่าในเมื่อคุณทําไม่มีผล ต้องรอ พศ. 2500 เกินไปแล้วเมื่อเกิน พศ. 2500 เกินไปแล้วก็จึงจะเป็นชื่อว่าหมดสมัยคําสอนของท่านหลังจากนั้นก็อาจจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมามากจุลัยก็ ป้าเองก็ไม่เคยเห็นพระประเจวๆมีๆเงินไม่ขาดๆ ก็คงไม่มีลาภสักการะนักแต่เพียงว่าประเภทเบี้ยต่อๆมีการสวด น้าจุลัยก็ถามว่าในเมื่อมนดบของคุณพ่อปานมีรูปมีรูปคุณป้าจันทนาแล้วก็จะมีรูปใครอีกป้าน้อยก็บอกว่าจะมีรูปของคุณพ่อ ท่านสุวรรณเนี่ยจริงๆเค้าใช่มั้ยคุณป้าแล้วคุณป้าทําไมเรียกจริงๆแล้วท่านเป็นเจ๊กใช่มั้ยป้าดอย หลานจุไลยังถามว่าถ้าอย่างนั้น ป้าท่านแล้วป้าเรียกเตี่ยก็ไม่ถูกต้องเรียกคุณพ่อเพราะป้าเรียกท่านจตนาว่าคุณแม่จุลัยฟังแล้วก็ยิ้มจุลัยก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อปานตามข่าวเล่าลือว่าเป็นพระที่ เงินอะไรได้มาก็ตามถือว่าเป็นเงินส่วนกลางหมดคําว่าเงินส่วนตัวจริงๆไม่มีเว้น เพราะว่าที่วัด อย่าง 70,000 บาทเศษแต่ต่อไปก็ๆถึงเดือนบาทถ้าติด หลวงปู่ปานนะเขาเรียกหลวงปู่เหมือนกันท่านก็เป็นพระมีลาภมากท่านจะไปแบบหลวงปู่ที่วัดท่า เอาไว้วางใจให้ของไปหลวงพ่อปานก็เช่นเดียวกันเป็น เรื่องทรัพย์สินต่างๆใช้เหมือนกันนั่นคือทุกอย่างที่ได้มาท่านถือว่าเป็นของทรงหมดไม่คิดว่าอะไรเป็นเราเป็น ถ้าสมภพปานเองที่เป็นอาจารย์ล่ะจะมี ถ้าบังเอิญแต่โกณนี้บูชารูปบิดามารดาของท่านและก็บูชาพระประติเก จุลัยจึงถามว่าถ้าอย่าง 100% เหมือนกันขอให้บูชาด้วยความเคารพถึงสมบูรณ์บุญผล